ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นพุทธภาษิต ท, ที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีหลายคนก็ถือเป็นคติธรรมประจำใจเป็นข้อเตือนใจเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดความวันไหวเผลอใจอยากทำความไม่ดีอยากจะทำชั่วในาิดศีล ก็เราลึกถึงพุทธภาสิทธ์เนี่ยซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่มีแค่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วไม่ใช่มีแค่ว่าทําดีได้ดีนะแต่ว่ายังมีว่าต่อท้ายว่าทําชั่วได้ชั่วหลายคนก็พยายามทาดีเพราะมีความเชื่อนะว่าทำดีแล้วก็ต้องได้ดีแม้ว่าจิตใจจะมีความหวั่นไหวบางครั้งก็มีสิ่ง ย, ย, ยั่วยุแล้วย่ำยวนให้ทำสิ่งที่ไม่ดีแต่พอนึกถึงพุทธภาษิตเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ทำให้เกิดความเจ้ายั่งช่างใจขึ้นมาได้แต่จำนวนไม่ น, น้อยเนี่ยก็เริ่มเกิดความคลังแคลงสนสะคลงแคล ง, คงสงสัยหรือหวั่นไหวในพุทธภาศิตนี้นะอย่างนี้ก็เป็นกันเยอะว่าทำดีได้ดีจริงหรือเปล่าทำชั่ว เรได้ชั่วเสมอไปไหมเพราะว่าเห็นคนที่ทำชั่วทุจริตเบียเดเบียนผู้อื่นก็เห็นได้ดีกันเรียกว่าเกลื่อนเมืองแต่ที่ตัวเองเนี่ยาทำดีแต่ทำไมชีวิตจึงย่ำแย่ลำบากไม่เห็นได้ดี อย่างพุทธภาษิตเลยที่จริงเนี่ยจะดูว่าใครทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันต้องดูยาวๆนะเหมือนกับดูฟุตบอล น, นะนะดูฟุตบอลเนี่ยมันจะดูเพียงแค่ครึ่งแรกก็ไม่ได้หรือว่าจะดูเพียงแค่80นาทีแรกก็ไม่ได้นะเพราะว่า ก็มีหลายทีมนะที่ครึ่งแรกหรือ80นาทีแรกเนี่ยก็เป็นฝ่ายเพียงพล้ำถูกยิงนำตั้งๆที่ปุกมาตลอดแล้วก็ทั้งๆที่เตรียมมาตัดเตรียมมาอย่างดีลงสนามก็บุกตลอดแต่ว่ากลับถูกยิงนำจนดูเหมือนว่ามันไม่แฟล์เลยนะ แต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งตัดสินนะเพราะว่าดูบอลเนี่ยมันต้องดูให้ครบเดี๋ยวนี้ดูครบ90นาทีก็ไม่ได้เลยนะเพราะว่าน า, นาทีที่90เนี่ยฝ่ายนึงถูกยิงนำไปทั้งที่บุกมาตลอดแต่พอทดเวลาบัดเจ็บนะแค่ 2-3 สนาทีเนี่ยฝ่ายที่ถูกยิงนำซึ่งทำท่าจะแพ้เรามาร่ออยู่แล้วก็ สามารถที่จะยิงยิงคืนได้นะแต่ไม่ใช่แค่เสมอยิงยิ ง, ยงต่อได้อีกนะสองลูกก็กลายเป็นชนะไปถ้าดูบอลเนี่ยมันจะดูแค่ครึ่งแรกหรือแม้กระทั่งครบ90นาทีเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ไมันต้องดูจนกระทั่งกรรมการเปร่านกหวีดว่าสิ้นสุดการแข่งขันซึ่งอาจจะเป็น ไม่ใช่เก้าสิเานาทีจะเป็นร้อยนาทีก็ได้ดูบอลนี้มันต้องดูให้ให้ครบแมชนะฉันใดเนี่ยเวลาจะดูความเป็นไปในชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องดูให้ตลอดนะคนบางคนเอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่นเห็นแก่ได้แม้จะรุ่งนะ ในอาชีพการงานมีคนนําหน้าถือตาแต่พอบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็มีความทุกข์ทรมานนะอาจจะไม่ได้หมายความว่าถูกจับเข้าคุกอาจจะไม่ได้หมายความว่ามีคนนะเบือนหน้าหนีหันหลังให้แต่ตอนจะตายเนี่ยทุกข์ทรมานมาก อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เคยไปลูกน้องเขาก็ไม่สนใจแล้วพอถึงตอนนั้นตกอับแล้วไม่มีใครสนใจให้ความห่วงใยอย่างเอมีนะอธิบดีปลัดกระทรว ง, งตอนที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยโอ้มีคนห้อมล้อมมากมาย แต่บางทียังไม่ต้องรอถึงบ้านปลายชีวนะิตเพียงแค่กเกษียนเท่นั้น ล, ล่ะลุงน้องที่ห้อมล้อมก็หายหน้าหายตายไปหมดเพราะว่าไม่มีอำนาจแล้วแล้วก็หาเพื่อนแท้ไม่ได้สักคนเพราะว่าไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลใครด้วยน้ำใสใจจริงเลยพอกเกษียณเท่านั้นล่ะนะก็เหมือนกับถูกโดดเดี่ยว อ้างว่าไปขึ้นเครื่องบินรอที่ห้องพักผู้โดยสารก็ไม่มีใครมาพูดคุยด้วยนะไม่เหมือนตอนยังเป็นใหญ่โตในราชการอยู่อยู่ที่ไหนก็มีคนห้อมล้อมแต่ตอนนี้กินข้าวกิกนคนเดียวรอเครื่องบินก็ไม่มีใครมาสนทนาด้วยงอย ก็าบางคนเวลาตายเวลาใกล้าตายนะีโอทรมานนะไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนเลยเพราะว่าเอาเปรียบเบียดเบียนผู้มาตลอดคิดแต่จะไต่เต้าเอาดีโดยไม่สนใจใครหลายคนนี่ก็บอกว่าในี่ยลูกนี้เนี่ยไม่ทําอย่างที่ทําอยู่เพราะว่าไหนจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายไหนจะหงอยเหงา ถ้าถึงเวล า, าตายก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานมบบเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคนที่ทำชั่วทุจริตเนี่ยมันอย่าดูเพียงแค่ว่าออตอนที่เขายัางรุ่งเรืองนะมีหน้ามีตาต้องดูยาวๆจนถึงตอนถึงบั้นปลายชีวิตเขาด้วยมันก็จะดูบัน้นก็ต้องดูถึงนาทีที่เก้หรือว่านาทีที่เก้าสิบแปดเมื่อ กรรมการเปล่านกหวีดถึงตอนนั้นแหละนะอาจจะลูโผลแพ้ชนะทีมที่แพ้ถูกยิงน้าก็อาจจะกลายเป็นทีมที่ชนะก็ได้คนที่เคยรุ่งเรืองมาตลอดแต่พอถึงบัน้นปลายหรือระยะท้ายชีวิตก็ตกอับหรือไม่ตกอับแต่ว่าก็น้อยเหงาโดดเดี่ยวอ้างว้างหรือว่าอาจจะทุกข์ทรมานเพราะความผิด ที่ทำเอาไว้มันมาหลอกหลอนรู้สึกเสียดายกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆนี่เราก็ดูไปถึงตอนมาเลยนะหลังตายนะเพราะบางคนเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าตายอย่างสงบเหลือเกินนะทั้งที่ทําชั่วมาก็ดูเหมือนว่าจะมีคนร้อมหน้าล้อมหลังจนหมดลม แต่ก็ยังจริงๆก็ดูไม่ได้นะแค่นะั้นถ้าเป็นชาวพูดอยู่เราก็ต้องดูไปถึงว่าเนี่ยตายแล้วไปไหนนะไอ้ที่ไปอบายนี่ก็เยอะนะแม้ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นะก็ยังมีคนเคารพนับถือนับนับนาถือตา ม, มากมายมีเงินทอง ที่ต้องดูยาวถึงหลังตายเลยนะว่าไปไหนนะไปสุกติหรือไปทุกตินะซึ่งถ้าเราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยใน้ทรชั่วเนี่ยไม่ว่าชาติชาตินี้จะรุ่งโรดยังไงนะแต่ว่าพอตายไปนี่ก็ทุกติแน่นอนส่วนคนที่ทำดีมาแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังย่ำแย่อยู่นะ หรือไม่รุ่งเท่าไหร่แต่ผลถึงบ้านปลายชีวิตก็จะมีความสงบสุขแม่ไม่รวยแม้ไม่มีบริษัทบริวารเยอะแต่ก็มีเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นเพื่อนสนิทไม่เหงาแล้ตายแล้วก็ไปดีไปสุกติ ให้เวลาจะบอกว่าทํำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยนะทําชั่วทําไมได้ดีเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าดูไม่ยาวพอนะดูแค่เมื่อก็ดูบอลดูแค่ครึ่งแรกหรือว่าดูบอลก็แค่แปดสิบนาทีแรกเนี่ยไมได่ดูให้ตลอดอันนี้ประการที่หนึ่งนะคือคนที่บอกว่าเนี่ยทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่ายังดูผลแห่ง ความดีหรือผลแห่งความชั่วเนี่ยไม่ตลอดเรื่องการที่2เนี่ยเป็นพ่อไปเข้าใจว่าทำดีเช่นมีศีลรักษาศีลครบเข้าวัดทำบุญหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นดูแลพ่อแม่อันนี้เรียกว่าทำดีนะ้วก็เลยคิดไปว่ามันก็ต้องได้ดีได้ดีในความหมายที่ว่า มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตในราชการครั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก็รู้สึกผิดหวังว่าทำไมทาดีไม่ได้ดีบางคนเนี่ยน้อยใจนะทำไมฉันทำดีแต่สอบตกสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้สอบสมัครงานไม่ได้ ทำไมฉันทำดีแต่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายทำไมฉันทำดีแต่ว่าธุรกิจไม่รุ่งค้าขายนะไม่เจริญทำไมฉันทำดีแล้วแต่ว่าไม่แต่เป็นอธิบดีปลัดกระทรวงหรือผู้จัดการ CEO ทุกทีอันนี้เป็นขวาข้าใจผิดนะข่าข้าใจผิดว่าเนี่ยทำดีแล้วมันต้อง มันต้องรุ่งนะในสิ่งที่ปรารถนาคาดหวังอะไรก็ต้องสำเร็จอาจจะศี่ห้าครบนะเข้าวัดทาบุญประจำแต่เวลาสอบเนี่ยไม่ตั้งใจสอบนะไม่ดูหนังสือสอบเนี่ยแล้วมันจะสอบได้ได้ไงแล้วพอสอบไม่ได้ไปว่าว่าเป็นเพราะ ทำดีแล้วไม่ได้ดีมันคนละเรื่องกันเช่นเดียวกันนะทำดีรักษาศีลเข้าวัดแต่สูบบุหรี่เป็นประจำแล้วถึงเวลาเ ป, ป็นโรคปอดโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะไปโทษว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีมันไม่เกี่ยวกันทำดีเนี่ยนะก็คือเกิดผลดีที่ใจนะ รวมทั้งไม่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนเช่นถ้าถือสีลห้าครบอ่ะก็ไม่มีใครมารังควานมาไม่มีคนมาแก้แค้นเพราะไปเบียดเบียนเขาขับรถขับราก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าไม่ได้กินเหล้าจนเมาไม้หรือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่น ดูแลพ่อแม่ก็เกิดความภาคภูมิใจเกิดความสุขที่ได้ทำมาเป็นความดีที่ใจมันไม่ได้แปลว่าจะต้องนะร่ำรวยมีชื่อเสียงนะอย่างทำดีแล้วทำไมค้าขายไม่ร่ำรวยทำไมค้าขายไม่ได้กําไรอันนี้ไม่เกี่ยวกวับทำดีนะมันเกี่ยวกับว่ารู้จักค้าขายเป็นหรือว่า ผู้เจ้าจัดนะว่าธรรมะสำหรับพ่อค้าเนี่ยมันมี3ประการนี่ยถ้าเรียกปา ป, าปนิกรธรรมข้อแรกคือว่าต้องรู้จักสินค้าดูสินค้าเป็นคํานวณราคาได้ว่าต้นทุนเท่านี้จะขายเท่าไหร่จึงจะควรตั้งราคาไว้แพงก็ขายไม่ออกตั้งราคาไว้ต่ําก็จะไม่คุ้มทุนข้สอสรู้ตลาดนะ รู้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็ต้องการอะไรนะรู้ราคาขึ้นลงของตลาดแล้วก็รู้ทำเลด้วยแล้วสามเนี่ยเข้าถึงแหล่งนะแหล่งทุนกู้ยืมเพื่อมาใช้ในการลงทุ น, นอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีเลยนะการมีสีนี่ก็ดีแล้วนะแต่พ่อค้าเนี่ยมีสีเดี๋ยวไม่พอต้องมี ทำสามประการนี้ด้วยนะรู้สินค้ารู้ดูสินค้าเป็นรู้ตลาดเชื่อมโยงหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนถึงแม้ว่าสีนครบนะไม่ใช่สินห้างแต่สินแปรเนี่ยทำบุญเป็นประจำแต่ว่าไม่รู้เรื่องตลาดดูของไม่เป็นนะ ไม่สามารถจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนไดนะ้หรือไปตั้งธุรกิจในทำเลที่มันไม่ดีนี่แล้วมันจะเจริญได้ยังไงแล้วพอขายไม่ออกนะธุรกิจไม่เจริญก็อย่าไปโทษว่าเป็นเพราะว่าทำาไมทาดีไม่ได้ดีมันไม่เกี่ยวกันก็เหมือนกับว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงอันนี้มันของแน่นอนอยู่แล้ว แต่ไม่ได้แปลว่าปู่มะม่วงแล้วเนี่ยมันจะรวยเพราะว่าบางปีเนี่ยมะม่วงราคามันก็ตกนะมะม่วงมาเยอะเพราะนั้นเนี่ยมาไม่ได้แปลว่าปู่มะม่วงแล้วต้องรวยแต่ที่น่าคือปู่มะม่วงแล้วมันต้องได้มะม่วงส่วนจะขายส่วนจะรวยหรือไม่อยู่ที่ว่าประม่วงชนิดใดตั้งราคาอย่างไรนะหรือว่ามีวิธีการ เรียกว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าขายออนไลน์เป็นไหมอะเียมันไม่เกี่ยวกับทำดีแล้วล่ ะ, ะมันเกี่ยวกับทักษะความสามารถด้านอื่นแลเช่นเดียวกันนะมันทำดีแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเจริญเติบโตในหน้าที่ราชการเสมอไป หรือว่าเป็นซีโอมันขึ้นอยู่ว่าคนในองค์กรนั้นเป็นอย่างไรด้วยถ้าคนในองค์กรนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความสามารถแต่อาศัยเส้นสายอยู่ในองค์กรนั่นก็คงไม่เจริญนะแม้จะทำดีเดี๋ยวนี้หน่วยราชการหลายแห่งเนี่ยนะทำดีไงก็ไม่เจริญนะเพราะว่าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีพวก งั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอตําแหน่งที่สูงเนี่ยมันก็ไม่ <c oughs> มันก็ไม่เกี่ยวการทําดีแต่ที่ท่านว่าทําดีได้ดีเนี่ยคือมันดีที่ใจนะทําดีได้ดีในภาษาบาลีท่านว่าการยาณการีการยานังการยานเนี่ยนะก็ยังความดีงาม และความดีงามที่เกิดผลแ น, น่นอนคือดีงามที่ใจในเวลาเราพูดว่าทําดีได้ดีเนี่ยอย่าไปคิดว่าคําว่าดีตัวหลังนี้ก็หมายถึงความสําเร็จความเจริญในทางโลกนะอันนั้นมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการทําดีมีศีลหรือว่าการทําบุญที่พอคนไม่แยกแยะเนี่ยหรือไปเข้าใจคําว่าดีเนี่ยคำว่าได้ดีเนี่ยมันต้องหมายถึงความเจริญความ ความสำเร็จนะสอบเข้าก็ต้องได้นะหรือว่าทำธุรกิจต้องเจริญเนี่ยโดยที่ไม่สนใจการสร้างเหตุปัจจัยอย่างอื่นให้มันถูกต้องถูกกรณีพอไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจไม่เป็นไปอย่างใจคิดก็ผิดหวังไปโทษว่าทำดีไมได่ดีนั่นเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจเข้าใจผิดมากกว่านะมันไม่ใช่เป็นความผิดของพุทธภาสิทนะแต่เป็นความผิดของ คนปฏิบัติที่เข้าใจนะไม่ท่องแท้นะว่าทำดีได้ดีไอ้คาว่าดีตัวหลังเนี่ยมันหมายถึงอะไรพอเข้าใจผิดแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังก็เสียใจบางทีก็โทษว่าต่อนมี้ฉันไม่ทำดีแล้วแล้วประการที่สามคือว่าคนเราเนี่ยทำดีนะจริงๆมันไม่ใช่ว่าจะทำดีตลอดนะบางเรื่องก็ทำไม่ดีนะอย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยเช่นว่า สูบุรีหรือว่าไม่รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นพอป่วยเข้าเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับารมีศีลหรือเรื่องการทำบุญบางคนเราเนี่ยอาจจะทำดีในบางเรื่องแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราจะทำไม่ดีหรือทำไม่เหมาะสมเช่นแม้จะรักษาศีลดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าแต่ถ้าเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นนะเป็นคนที่อชอบเรียกร้องคาดหวังจากคนเพราะว่าฉันทำดีเธนะอก็ต้องมาช่วยเหลือเออออำนวยฉันหรือคนที่ชอบคิดลบคิดลายเนี่ยงั้นไม่ว่าจะทำดีไงแต่ทำไมถึงห่อยเหงาทำไมถึงโดดเดี่ยว ทำไมฉันไม่มีเพื่อนนี่แสดงว่าทําดีไม่ได้ดีเลยไม่เกี่ยวนะไอ้ที่ไม่มีใครครบหาเราเท่าไหร่มันไม่เกี่ยวเรื่องว่าเราทําดีแล้วไม่ได้ผลดีนะแต่เป็นเพราะว่าไอ้เราไม่ค่อยมีอน้ําจิตน้ําใจหรือว่าไม่มีปียะวาจา จูจี้ขี้บนนะชอบจับผิดคนนั้นคนนี้นะตรงที่ดังหากซึ่งธรรมดาคนเราเนี่ยมันไม่ช่าจะทำดีไปทุกเรื่องเราแค่ทำดีในบางเรื่องแต่บางเรื่องเราก็ไม่ดีเท่าไหร่หรือยังดีไม่พอไอตรงที่เราทำดีไม่พอเนี่ยรายังทำไม่ดียังไม่ได้ทำดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความทุกข์ คนมักจะไม่มองนะว่าฉันทำไม่ดีตรงนี้ไปคิดแต่ว่าเนี่ยฉันทำดีนะดูแลพ่อแม่นะฉันรักษาศีลนะไม่เคยโคดโกงใครแต่ทาไมฉันถึงโดดเดี่ยวไม่มีใครเอื้อเฟื้อฉันเลยทำให้ฉันอยู่อย่างลาบากแล้วก็ไปโทษว่าทำดีไม่ได้ดีไอ้ที่ตัวเองทำดีเนี่ยมันก็ได้ดีอยู่แล้วล่ะนะแต่ไม่สังเกต นะแล้วก็ไม่ได้ตระหนักว่ามันมีบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ดีหรือทำไม่ดีพอสังคำวัตถุสีทานปิยวาจาอจจเจริยาสมาณตต า, ต า, ตาอันนี้ถ้าเกิดคนเราไม่ปฏิบัตินะแม้ศีลห้าจะครบหรือศีลแปดจะพรั่งพร้อมนะมันก็ยากที่จะมีมิตรมีสหายแต่ถ้าเกิดว่ามีทานมีปิยวาจามี อัตจริยาความเอื้อเฟื้อมันก็จะมีมิตรมีสหายนะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเยอะในเวลาคนที่บอกว่าเนี่ยฉันทําดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยให้ลองดูว่าไอ้สภาพที่ไม่พึงปรารถนาที่มันเกิดกับเราเนี่ยแน่ใจแล้วหรือว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้ความดีที่เราทํำมันไม่ส่งผลไอ้ความที่เราทำเนี่ยมันก็ส่งผลแต่มันส่งผลบางเรื่อง แต่ว่าไอ้บางเรื่องที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะความไม่ดีบางอย่างที่เราทำหรืออย่างเนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี้ยทำดีแล้วแต่ค้าขายไม่เจริญไม่รุ่งนะเป็นนี่เป็นศิลนะไม่ไม่เกี่ยวกับการทำดีแต่มันเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไม่มีความรู้หรือทักษะในเรื่องของการทำธุรกิจดีพอ ดูของไม่เป็นนะไม่รู้จักตลาดนะมันก็เลยเกิดปัญหาก็ต้องรู้จักนะมองให้ถี่ถ้วนแล้วก็มองอย่างตรงไปตรงมานะมันก็จะเห็นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำดีแล้วมันได้ดีนะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยบางอย่างที่มันดีพอ แล้วที่สำคัญ น, นะเวลาเราทาดีเนี่ยถ้าว่าเราทำดีด้วยความคาดหวังนะมันจะทุกข์ได้ง่ายนะเดี๋ยวเพราะถ้าคาดหวังโดยไม่เข้าใจควาว่าดีนี่พอเนี่ยมันจะเป็นการดนะีถ้าว่าเราทำดีโดยไม่คาดหวังเลยเพราะความคาดหวังนั่นแหละที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเราทำดกีก็เพราะว่าเพราะดี นะทำดีเพราะดีทำดีเพราะมันดีนะจะไปติดใจว่าทำดีแล้วได้ดีนะเพราะว่าพอไปคาดหวังว่าจะต้องได้ดีอย่างงั้นอย่างนี้แล้วพอมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะก็จะผิดหวังและพังไม่มีศรัทธาในความดีก็กลายเป็นการสร้างปัญหาให้มากขึ้นแต่ทำดีเนี่ยเพราะมันดีจะดีกว่านะพวกเรคือทำดีโดยไม่ที่โดยไม่คาดหวัง และจะให้ดีนะจะทําทดีที่กายที่วาจางอย่างเดียวนะให้ทําดีที่ใจด้วยนั่นก็หมายความว่ารู้จักฝึกจิตฝึกใจนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจดีเนี่ยนะเวลามันเจอโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ไม่เสียใจเพราะคนเราทําดีแค่ไหนก็นต้องเจอกับโลกธรรมฝ่ายลบได้แก่เสื่อมลาบเสื่อมยศนะถูกดินทาว่าร้ายหรือว่าเจอ สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะทำดีแค่ไหนก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ทำดีก็ต้องเจอคนดินทาเจอคนด่าว่าแต่ถ้าเราฝึกใจไว้นะเออใครเขานินทาเราใจก็ไม่ทุกข์เพราะเราปล่อยวางได้หรือเรารู้ทันความทุกข์รู้ทันความโกรธความหกรธความโกรธกิธคว้มโกรธคมโกามโกรธรวาามวามากรามากากราร รักษาศีลหศีลแหรือว่าการเข้าวัดทำบุญเนี่ยมันยังไม่ช่วยตาเตรียมใจนะให้พร้อมรับมือกับภาวะที่เกิดโลกธรรมฝ่ายลบขึ้นมามันไม่ได้ช่วยเตรียมใจให้เรารับมือกับคําดินทาว่าร้ายได้เลยจนกว่าเราจะฝึกใจนะฝึกใจให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลา เสียงนินทาว่าร้ายมากระทบหูเกิดความหงุดหงิดก็ปล่อยวางจะก่อนปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรู้ทันได้รู้ทันท่วงทีต่อไปก็ปล่อยวางแม้กระทั่งคํคพูดหรือว่าทีท่าอาการของคนเหล่านั้นคือไม่เอามาเป็นอารมณ์และต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นสัจธรรมความจริงว่ามันก็ธรรมดาเป็นเช่นนั้นเอง มันไม่ใช่แค่นินทาว่าร้ายที่เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ไม่พ้นนะความเสื่อมลาบเสื่อมยศมันก็เป็นธรรมดาอันนี้เราฝึกจิตตนเห็นสัจธรรมเห็นสัจธรรมความจริงเพราะฉนั้นเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมันก็มีไม่มีการบ่นโวยวายตีโพยตีพายนะว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมชั้นทำดีแล้วจึงต้องมาเจอแบบนี้ถ้าคนทำดีแค่ไหนก็ต้องเจอนะกับความกับโลกธรรมฝ่ายลบทั้งนั้นแหละ ถูกใส่ร้ายถูกมุ่งร้ายแม้กระทั่งผู้จ้านี่ก็ยังถูกมุ่งร้ายไหมายเอาชีวิตแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช่ทําดีที่กายที่วาจาแต่ทําดีที่ใจคือฝึกใจไว้ด้วยเมืเ่อมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจก็ไม่ทุกข์มันก็เกิดเพราะว่าที่เรียกว่าทําดีแล้วก็ได้ดีจริงๆนะก็คือใจไม่ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรมากระทบและที่เป็นเช่นนั้นได้ดก็เพราะว่ารู้จักทําดีโดยไม่คาดหวัง นั่นคือทำดีเพราะดีนะ